พอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมยาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับปิชาโตภิกขุครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่13แล้วนะที่เราได้มาเจอกันใครได้ฟังมาถึงครั้งที่13นี้แล้วเนี่ยก็คงจะรู้เลยว่าก่อนที่เราจะฟังเนี่ยเราต้องทําความสงบไปด้วยเนี่ยก็จะดี เพราะว่าความสงบก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเหตุจาเป็นน่ที่เราจะได้พักใจและนอกจากจะได้พักใจแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานสำคัญของการพิจารณาด้วยการพิจารณาก็คือให้รู้ให้เข้าใจที่จิตใจนะตามความเป็นจริงของทุกๆสิ่งนั่นแหละซึ่งถ้าเรารับรู้ แล้วเราก็เข้าใจมันได้อย่างที่มันเป็นใจเราไม่ค้านกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยใจเราก็จะเบาสบายเวลาที่เราอยากจะปล่อยเนี่ยมันก็ปล่อยได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าใจที่ไม่ค้านกับความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือว่าเห็นถึงความไม่มีสาระไม่มีแก่นสารของ สิ่งที่เราพิจารณานั่นแหละเพรา ะ, ะไรเพราะว่าสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ไปจบอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่คงตัวทศรธรรมะจริ ง, รงๆเขาเรียกไม่เที่ยงนะแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้คือความเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วก็มันนำมาซึ่งความทุกข์ให้นะ พอเราเห็นถึงความไม่มีแก่นสารแค่อันเดียวนี่แหละคือคือความไม่เที่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้มันหมดไปได้มันสูญหายไปได้มันก็จะไม่อยู่กับเราได้ตลอดแม้กระทั่งความสุขที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดารงคงไว้ให้อยู่กับเราได้อยู่ตลอดเวลาหมดแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่ดิ้นรนกันไปอยู่อย่างนี้ ตลอดตลอดทุกวันทุกวันแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้านำเสนอเนี่ยก็คือวิธีที่เราจะไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์หมายความว่าพอเราไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์แล้วเนี่ยเราเลยไปอีกเักหน่อยนึงนะก็คือจะไม่มีความทุกข์อยู่อีกในแดนนั้นในตรงนั้นอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะคล้ายๆกับว่า ดินเนี่ยบนพื้นแผ่นดินเนี่ ย, นนยมันก็ไปสุดอยู่ตรงที่ขอบที่มันเชื่อมต่อระหว่างทะเลมหาสมุทรใช่ไหมพอเราเคลื่อนลงไปในทะเลเคลื่อนลงไปในมหาสมุทรแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เจอแผ่นดินอีกใช่ไหมพอไม่เจอแผ่นดินเนี่ยวิธีไงก็คือตรงนั้นก็เป็นที่ที่ไม่มีแผ่นดินชั้นใดชั้นนั้น ความทุกข์เนี่ยพอเราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยพอเราขยับออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเปรียบได้กับน้ามหาสมุทรนี่แหละที่มันไม่มีแผ่นดินตรงนั้นก็คือเป็นจุดที่มันจะไม่มีความทุกข์อีกไม่ต้องรอไปถึงตอนตายแต่ถ้าตายหมายความว่ามันก็จะเป็นการหมดซึ่งเชื้อของความทุกข์โดยสิ้นเชิง แต่ในระหว่างที่เรายังเป็นอยู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นได้แต่แน่นอนว่าถ้ามันยังมีร่างกายอยู่ยังไม่ตายเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะมันก็จะต้องป่วยไข้ได้ใช่มเย็นร้อนหนาวมันก็ทำให้เราไม่สบายได้ใช่ไหมหิวข้าวนี้ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นเพียงแค่ภายนอกไง ที่เราฝึกคือฝึกใจเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พอเราฝึกได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มากระทบกระทือนจิตใจเรามากจนเกินจำเป็นก็คือทุกข์แต่ทุกข์ในแบบพอดีไม่ได้ตี อ, อกชกหัวแล้วถ้าเราฝึกได้ถึงขั้นถึงขนาดที่มันดีจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์กายก็ส่วนหนึ่งแยกออกจากใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทาให ค่อยๆละเอียดละอลงไปในเรื่องระหว่างกายและใจความสุขความทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ทางใจและเป้าหมายที่พระรุ่นเจ้าเนี่ยท่านแสดงเอาไว้มอบเอาไว้ให้ก็คือเราไปให้ถึงจุดนี้นะเราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะแต่แน่นอนท่านฟังก็ไม่ได้มีคนที่ปรารถนาที่จะไปที่สุดแห่งทุกข์ แบบจริงจังเลยนะแบบจริงจังร้อยปร์เซ็หรอกอย่างบางคนปฏิบัติธรรมในศาสนานี้แล้วเนี่ยก็ยังมีความสุขอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงอยู่เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเออชีวิตฉันก็มีความสุขดีแต่ฉันก็ปฏิบัติธรรมทำบุญแลกษาศีลอยู่ฉันก็พอใจแค่นี้ชีวิตมันก็มีสุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไป แต่ดูดูไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความสุขดีอยู่ก็โอเคซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคนที่เข้ามาในาศาสนาก็เหมือนการช้อปปิ้งนั่นแหละท่านผู้ฟังเราอยากได้ของที่ประณีตมากหรือเราอยากได้ของที่ประนีตน้อยบางคนชอบ เ, ออเกี่ยวกับงานช่างบางคนชอบเกี่ยวกับเย็บ ป, ปักถักร้อยบางคนชอบอาหาร ไม่เหมือนกันมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่บนพื้นฐานของการที่เราอยู่ประพฤติตามคำสอนเนี่ยก็คือว่าเราก็อยู่บนพื้นฐานคือเราไม่ทำไม่ดีเราทำในสิ่งดีใช่ไหมแล้วเราก็คอยรักษาจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มความสุขและลดทอนความทุกข์ได้เนี่ยเราก็ เลือกเอาว่าเราจะลดทอนความทุกข์ได้ถึงจุดไหนแล้วเราพอใจแล้วเรามีความสุขได้ถึงระดับไหนถึงจะพอใจอันนี้เราก็เลือกได้แต่ถ้าให้แนะนำเราก็พยายามทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้สุดปลายทางนี่ก็ยิ่งดีเลยยิ่งเราตั้งเป้าหมายได้ได้ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ถึงมันจะไม่ถึงจุดหมายนะเราก็ไปได้ไกลไง ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แ ค, แคแบๆสั้นๆอย่างเงี้ยตัวปกติของเราเราก็ไม่ได้วิ่งไปจนถึงเป้าหมายได้ใส่เต็มแรง100หรอกมันก็มีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้น้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะทําให้ถึงเป้าหมายมันก็มีเหมือนกันไงออกมาสักไกลเลยก็อยากจะวกกลับไปตรงเอพิโซดที่แล้วที่เราพูดเกี่ยวกับ การที่เราทำความเพียรในศาสนานี้ใช่ไหมมาประพฤติปฏิบัติแล้วการที่จะทำความเพียรได้ดีเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบด้วยว่าเปรียบเทียบเหมือนไม้มียางจุ่มน้าไม้มียางก็คือบุคคลที่ยังบริโภคกามีความเย่อหยีในกามอย่างนี้นะก็ปฏิบัติทำไปเนี่ยจะให้ถึงที่สุดเห็นความทุกข์อย่างที่พระรูเจ้าตั้งเป้าไว้ให้เนี่ย มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปถึงที่สุดแห่งปลายทางที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยก็คือต้องเป็นบุคคลประเภทที่3ก็คือเป็นไม้แห้งเกราะที่ไม่มียางเลยคือไม้แห้งสนิทเลยแล้วก็ไม่มียางแล้วก็ไม่ได้จุ่มน้ําด้วยนะอันนั้นเนี่ยทำความเพียรประกอบความเพียรอย่างเนืองเนืองหมั่นพิจารณาเนืองเนืองก็จะสามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ แต่ถ้ายังเป็นบุคคลประเภทที่2หรือประเภทที่1นเนี่ยทามที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แต่ก็อยากจะวกกลับมาตรงที่ว่าก็แล้วแต่เราเลือกแล้วแต่เราพอใจว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะจุดตรงไหนที่เราพอใจแต่แน่นอนถ้าเกิดเราไปถึงสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์แล้วท่านฟั ง, งเพราะฉะนั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้ า, ายังเป็นบุคคลประเภทที่2ประเภทที่1 คือยังมีความคลุกคลีด้วยกามแล้วก็ยังมีความเยื่อใยในกามอยู่เนี่ยมันต้องมีสัดส่วนความทุกข์และความสุขในชีวิตของเราแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ยอมรับไปเลยเพราะฉะนั้นมีเคสเดียวก็คือการที่เราบรรลุเป้าหมายเป็นบุคคลประเภทที่3ทําความเพียรแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยอันนั้นจะไม่มีทุกข์แน่นอน และทีนี้ถ้าเรายัางอยู่เป็นบุคคลประเภทที่สองคือบุคคลที่บริภโภคกามอยู่เนี่ยหรือบุคคลประเภทที่หนึ่งเนี่ยที่ยังบริภโภคกามอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเหมือนกันนะว่าใครที่ยังยังอยากเป็นบุคคลผู้บริภโภคกามอยู่ ยังไม่มีความคิดที่จะออกจากกามเนี่ยก็ต้องทำตัวให้มันดีไม่งั้นเนี่ยความสุขเราก็จะมีน้อยความทุกข์ก็จะมีมากสำหรับคฤหัสถ์ที่บริโภคกามอยู่เนี่ยพระเจ้าก็ได้ให้แนวทางความสุขเอาไว้เหมือนกันนะให้ไว้4ีอย่างสีอย่างมีอะไรบ้าง4อย่างก็หนึ่งเนี่ยคนที่ยังบริโภคกามอยู่ก็ต้อง มีความสุขจากการที่เรามีทรัพย์มีทรัพย์นะก็คือการที่เราหาอยู่หากินแล้วเราก็มีสตดุ้งสตางมหาปัจจัยสีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีทรัพย์มีทุก์แน่นอนทุกเยอะด้วยปัจจัยสี่ไม่บริบูรณ์ก็ทุกแน่นอนเพราะฉะนั้นความสุขของบุคคลผู้บริโภคกรรมหรือความสุขของครวาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยต้อง มีความสุขจากการที่เรามีทรัพย์อันที่สองก็คือได้ใช้จ่ายทรัพย์อันนั้นด้วยคือถ้าเรามีหามตหาตังมาได้อย่างเงี้ยมีปัจจัยสีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช้ใช่ป่ะมันก็เบียดเบียนตนเองไงเหมือนกับพวกตระหนีท่ทีเหนียวจนเกินไปอย่างเงี้ยชีวิตมันก็หาความสุขยากนะคือมันมันอาจจะไม่ขัดสนเรื่องอยู่กินน่ย แต่กรมิดกรเมี้ยนมากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่มันเป็นก็คือไปมีผลกระทบทางใจนี่แหละว่าใจเรามันมันวุ่นวายมันร้อนรนเพราะความตรณีที่มันมีอยู่ในใจแต่ยกตัวอย่างก็เหมือนเศรษฐีในครันพุทธกาณเน่แหละขิงกสุดๆเลยมีทรัพย์สินมากนะแต่จะกินนี่ก็แอบกินมีอยู่วันหนึ่งไปเห็นขนมเบื้องอ เขทอดกินอ่ะซึ่งขนมเบื้องก็เป็นขนมธรมธรมดาธรรมดาราคาก็ถูกแต่ไม่อยากไปซื้อเพราะเสียดายตังค์ก็ไปบอกภรรยาพอบอกภรรยาเสร็จแล้วไงก็จะไปซื้อใช่ไหมบอกเธออย่าไปซื้อซื้อทำไมเพื่อเงินพออย่างนี้ปุ๊บก็คือพูดง่ายจะให้ภรรยาทําให้หนั่นแหละภรรยาก็เลแบบไป เ, เดี๋ยวฉันทําเลี้ยงเลยทั้งหมู่บ้านบอกเธออวดรวยเหรออา่า ก็เลยบอกนะถ้าไม่เงนั้นก็ทำพอเลี้ยงคนในตรอกนี้ดีไหมโอ้ฉันรู้เธอเป็นคนใจกว้างไม่ต้องขนาดนั้นหรอกน่ะก็คืองกนั่นแหละว่ากันเธอสุดท้ายเนี่ยให้ในครอบครัวก็ไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆให้ทําพอกินแค่สองคนนะแต่เธอจะทํากินพอกินแค่สองคนทําไมเธอก็ไม่กินหรอกขนมถูกๆอย่างนี้งั้นฉันกินคนเดียวก็พออืมพูดง่ายๆคือให้ไปหาขอมาทํา ให้มันพอดีกับเศรษฐีคนเดียวกินคนเดียวแล้วก็ไม่พูดถึงผลที่สุดแล้วนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วฟังก็คงจะพอเห็นภาพแนละว่าคนที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันโอ้ยมันไม่ได้มีความสุขนะซ้ายก็ระแวงขวาก็ระวังกวนนว่นจะหมดกลัวดีจะหมดใช่ปะมีทรัพย์แต่ไม่ใช้ใจทรัพย์ให้มันพอดีสมฐานะกับตนเนี่ยมันก็ลาบากเหมือนกัน มันไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขเท่าไหรล่ละโอเคสองข้อแล้วนะมีทรัพย์ความสุขจากการมีทรัพย์หนึ่งและความสุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์และหนึ่งแหละอีกอันหนึงก็คือเป็นความสุขจากการที่ไม่มีหนี้โอ้นี่สำคัญมากๆเลยคนในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะเป็นคนที่หาไรายได้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้จ่ายได้แล้วเนี่ย แต่บางคนมีหนี้กันฝั่ ง, งแล้วส่วนมากเนี่ยระบบเศรษฐกิจสมัยนี้ก็ทำให้คนมีหนี้กันมากบางคนก็เราไม่รู้หรอกนะว่ามีหนี้หรือเปล่าเขาอาจจะใช้จ่ายรู้หาฟู่ฝ่ายยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เบื้องลึกเบื้องหลังพอเราเห็นเนี่ยเอา้าก็มีหนี้นะแล้วบางทีเราอาจจะดูว่าเขามีความสุขดีได้ใช้จ่ายได้ มีเครื่องใช้ไม้สอยที่มันดูมีราคาแพงแต่ถ้าเราอยู่กับเขาจริงๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราก็คงจะพอเห็นนั่นแหละว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขได้ตลอดหรอกมีความสุขจากการที่มันไปกินไปดื่มไปเที่ยวมันก็ประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะเห็นต่อจากนั้นเนี่ยซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งไปหางานมาโป หาเงินมาเพิ่มอย่างนี้มันก็ขัดหลักการของการมีความสุขะระดับหนึ่งว่าถ้าเรามีทรัพย์ได้ใช้ใจ่ายทรัพย์เนี่ยมันมีความสุขแต่การที่มันมีหนี้มันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะมันก็ต้องคอยเราแวดระวังคอยกดดันในชีวิตเรานี่แหละเราจะต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาทีนี้ความทุกข์ของคนมีหนี้มันเป็นยังไงคือ ผู้ชายก็พูดไปว่าเวลามีหนี้ใช่ไหมก็ต้องใช้หนี้แหละเป็นความก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเวลามีเจ้าหนี้เจ้าหนี้มาทวงก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งแหละพอเจ้าหนี้มาทวงแล้วเราไม่มีเราก็ทุกข์แหละใช่ไหมพอเราไม่มีเขามาทวงเราไม่มีเราหนีเขาก็ติดตามมาทวงหนี้เราก็เป็นทุกข์กดดันอีกแหละแต่พอไม่มีแล้วหนีเขาตามเจอ ก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยแหละก็มีการทําร้ายกันบ้างอะไรบ้างตนจองจําบ้างโอ้มันมันไม่มีความสุขเลยนะท่านฟังชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีนี่เลยเนี่ยมันจะดีกว่ามากอาจจะไม่ได้ใช้ของฟุ่มเฟือยได้มากเท่าเขาก็ไม่จําเป็นนี่ท่านฟังใช่ไหมการที่เราใช้ให้มันพอเหมาะพอสม แก่ฐานะของเราเนี่ยมันดีกว่าและการที่เราแหกออกจากตร ก, กะของความดีความประณีของสังคมได้เนี่ยมันดีมากมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าต้องไปกินไก่เคฟซีนะถึงจะดีสมมตินะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะอันนี้ยกยกตัวอย่าง ล้วก็มีค่านิยมว่าเออเราจะต้องไปกินที่นี่ที่นี่นะมันถึงจะดีอันนี้ก็เป็นค่านิยมไงต้นปลูกฝังกันแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้ไปกินร้านนี้แล้วเนี่ยเออมันดีจริงแล้วเราก็มีความสุขถ้าเราไม่ได้มีสตุ้งสตังมากพอที่จะไปกินร้านนี้อ่ะอย่างเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นแพงๆร้านอาหารแพงๆเชฟเทเบิลอะไรอย่างงี้นะ เราก็ไม่จําเป็นต้องไปขนาดนั้นก็ได้ใช่ัหมท่านผู้ฟังเราก็สามารถจะไปกินร้านข้างทางที่มันราคาถูกๆแล้วเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนี่ก็ให้มันเหมาะสมกับฐานะของเราเหมาะสมกับสตุ้งสตงของเราเราก็มีความสุขได้สุดท้ายกินไปเนี่ยมันก็อิ่มเท่ากันใช่ไหมแล้วยังไงเอ่ยพอเรามีความเข้าใจสมมุติตรงนี้เราก็ไม่ หลงไปตามค่านิยมของสังคมมากจนเกินไปชีวิตเราก็เป่าสบายขึ้นแต่กับบางคนเนี่ยมันไปอยู่ในสถานะที่โดนสังคมบีบเหมือนกันนะต้องใส่นาฬิกายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เสื้อผ้าต้องแบรนด์นั้นแบรนดน์นี้แล้วเราไม่มีเหมือนเขาเราก็ไปพยายามดินดน้นรนสุดท้ายก็ใช้ใจ่ายเกินตัวไงเยอะเลยแล้วเป็นยังไงพอไม่มีมันน้อยหน้าสู้เขาไม่ได้ มันก็ต้องรูดบัตรเครดิตไงเราก็ต้องคอยจ่ายหนี้บัตรเครดิตไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําถามว่ามันเป็นความสุขจริงๆรหรือเปล่าที่เราได้ทําอย่างนั้นแล้วการที่เราไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นแล้วเราต้องดิ้นรนเกินตัวขนาดนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตเปลี่ยนสังคมมันจะดีกว่าไหมใช่ไหม มันไม่จําเป็นอนะโลกเราอะมันไม่จำเป็นมีแค่บุคคลกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยที่มันจะครบด้วยใช่ปะ่ะคนเรามีทั้งเยอะทั้งแยะนี่เราก็เลือกได้นี่ว่าเราอยู่ในสถานะแบบนี้ใช้จ่ายอย่างนี้เราก็เลือกที่จะคบคนที่มันมีฐานะใกล้เคียงกันมีแนวคิดที่มันใกล้กันมีแนวคิดที่มันจะไม่ละเมิดศีมีแนวคิดที่จะผู้ดีทําดีคิดดีอย่างนี้เป็นต้นอะมันเลือกได้นี่ นี้ก็เลยชีย้เห็นว่าการที่มันไม่มีหนี้เนี่ยดีชีวิตเบาสบายเลยเพราะนั้นความสุขจากการที่เรามีทรัพย์ได้ใช้ใจ่ายทรัพย์แล้วก็ความสุขจากการที่เราไม่มีหนี้แล้วเนี่ยและสุดท้ายทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือความสุขจากการที่ประพฤติตนที่ไม่มีโทษเราก็ไปดูในรายละเอียดเขาจะไขความไว้ว่ า, าให้ พูดดีทาดีคิดดีแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นจากการที่เรามีความสุขจากการที่เรามีทรัพย์นะความสุขจากการที่เราใช้ใจ่ายทรัพย์เนี่ยมันก็ดีใช่ไหมแต่ทีนี้ไอการหาทรัพย์เนี่ยลืมพูดไปเราต้องหาทรัพย์มาด้วยสุจริตด้วยนะวิธีสุจริตนะไม่ใช่วิธีทุจริตนะเพราะฉะนั้นก็ ยิ่งสโคบแคบลงไปอีกว่าการที่เราจะมีความสุขจากการที่เรามีทรัพย์ได้เนี่ยที่มันไม่มีโทษตามหลังมาเนี่ยการหามาเนี่ยก็ต้องได้มาโดยชอบด้วยแล้วพอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือการประพฤติเนี่ยท่านก็วาดไว้กว้างเลยก็คือให้ประพฤติดีคือทำดีพูดดีคิดดี แตถ้าจะให้อธิบายแจกแจงลงไปเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าการที่เรามีทรัพย์ใช้ใจทรัพย์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องวุ่นวายมันยังมีอยู่ในชีวิตเรานะถ้าเรายังพูดไม่ดีทําตัวไม่ดีแล้วก็คิดไม่ดีใช่ไหมก็เหมือนคนชีวิตปกติทั่วไปนั่นแหละเรามีวิธีที่เราจะทํามาหาเลี้ยงชีพเรามีไรายได้เราไม่เป็นหนี้ แล้วก็มีการใช้ใจ่ยายตามสมควรใช่ไหมแต่เรายังเป็นคนที่ปากร้ายชอบว่าคนอื่นนินทาคนอื่นเ น, น้มคนอื่นหรือไม่ก็อาจจะทำร้ายสาัตว์เบีเบีย น, ยนสัตว์อย่างนี้หรือไม่ก็เป็นคนขี้โมโ ห, โหเจ้าคิดเจ้าแค้นตำหนิติดเตียนคนอื่นอยู่เรื่อยๆเป็นเนืองเืองย่างเงี้ยชีวิตคนเรานั้นก็เป็นชีวิตที่มัน ร, ร้อนไง เบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีประพฤติทางกายที่ดีประพฤติทางวาจาที่ดีประพฤติทางความคิดที่มันดีเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยความสุขทางใจมันต้องมีแน่นอนเพราะมันร่มเย็นไงท่านฟั ง, งคิดดีทดําดีพูดดีมันก็ห่างไกลง่ายจากโลภะโทสะโมหะ ทางไกลง่ายจากความโลภความโกรธความหลงชีวิตมันก็จะเบาสบายขึ้นอันนี้ก็คงจะไม่แจกแจงไปเยอะนะท่านฟังก็คงจะพอเห็นภาพเข้าใจภาพหลังๆแล้วละ่ะซึ่งอยากจะสรุปขมวดไ อ, ไอตัวพูดดีทำดีคิดดีสักนิดหนึ่งก็คืออยู่ในกรอบของศีลนะ่ะถ้าเราเป็นคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยสุจริตอยู่แล้วได้ทรัพย์มาโดยชอบ ใช้ใจ่ายซับอย่างพอตัวไม่มีหนี้อย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะมีความสุขเพิ่มเติมได้จากตรงนั้นเนี่ยก็คือการที่เราเป็นคนมีสีนที่มันดีมีสีนที่บริบูรณ์อย่างเช่นการที่เรานอกใจคู่ของเราไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยโอ้ชีวิตมันพังทลายแหละจำฝั่งก็คงจะผอนึกภาพออกเฉะนั้นถ้าเราคิดดีทาดีพูดดีก็คือพูดง่ายเราเป็นผู้มีศิลที่ดี แน่นอนชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกมากเลยแล้วก็จะเป็นชีวิตที่ร่มเย็นมากเลยแล้วก็ท่านก็ขมวดปมไว้อันสุดท้ายด้วยว่าในความสุข4ี่แบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ความสุขจากการที่ไม่มีหนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันยังสู้ความสุขจากการที่เรามีการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มันดีไม่ได้ เพราะนั้นมันก็เป็นตัวสรุปได้แหละว่าชีวิตของครารวาเน่นะมันจะมีความสุขความทุกข์อยู่แน่นอนแต่ความสุขความทุกข์ของคารวาเนี่ถ้าจะให้มันดีมันยั่งยืนมันประนีตไม่ซุ่มเสี่ยงต่อความทุกข์เนี่ยก็ต้องมีตังก่อนเนี่ยมีตังแล้วก็ใช้จ่ายตังด้วยแล้วก็อย่ามีหนี้นะแล้วสิ่งสาคัญคือต้องมีศีลท่านฟังถ้าเราไม่มีศีลชีวิตมันเร่าร้อนเพราะฉะนั้น ต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในศีลให้ได้สรุปก็คือว่าบุคคลผู้ยังบริโภคกรารมอยู่เนี่ยก็มีความสุขความทุกข์นะเราก็หาความสุขความทุกข์ตามในแบบที่เรามีนั่นแหละซึ่งจะเรื่องปัจจัย4ี่น่ยก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายปัจจัย4ีจะบริบูรณ์ยังไงแล้วเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยศีลด้วยมันจะทําให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างมั่นคงและมันจะเอื้อให้เรา พัฒนาไปได้ไกลขึ้นไปอีกก็คือว่าเรามีสีนที่บริบูรณ์แล้วถ้าเราเห็นโทษของการที่ใจไม่สงบใจเร่าร้อนใจขุ่นมัวเราก็พัฒนามันไปได้โดยการที่เรามาฝึกใจเพิ่มเติมให้มีความสงบใจเพิ่มขึ้นให้มีความสุขทางใจมากขึ้นให้มีความเร่าร้อนทางใจลดลงและพอเรามีความสงบใจดีแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกโดยการที่ นำความสงบใจอันนี้เนี่ยมาเป็นพื้นฐานที่เราจะมองโลกจากใจที่มันสงบอันเนี้ยให้มันตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเข้าใจจริงๆเนี่ยแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นแหละมันไม่มีอะไรเที่ยงมันมีสาระเก่นสารของมันอยู่แค่ช่วงเวลาหนึง่งแต่มันไม่ได้มีสาระเก่นสารได้ตลอดลอดฝั่งเราก็อย่าไปเอาอะไรกับมันมาก ปล่อยวางเราจะได้ค้นพบความสุขที่มันละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอีกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากกด Follow กดแชร์ให้ได้นำสาระดีๆไปแจกจ่ายให้กับผู้ฟังท่านอื่นด้วยสำหรับคนที่เขายังไม่มีโอกาสได้มาฟังก็ให้เขาได้รับรู้ได้เข้าถึงสิ่งที่ดีๆเราจะได้เป็นเหมือนสะพานบุญให้เขา วันนี้หมดเวลาแล้วและพบกันใหม่จเจริญพร